ไปอยู่บนสวรรค์ของคิดแล้วเงี้ยกับคนที่ไปกับกับกับคนพุทธที่นิพพานเนี้ยมันมันเหมือนมันต่างกันตรงไหนบ้างอะกํารังนึกว่าโอเคถ้าไปอยู่บนสวรรค์มันก็มันก็ไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงใช่ไหมกิเลสหลายๆอย่างมันคงไม่มีนอะแหละอาจจะเหลือรักพระเจ้าแต่รักพระเจ้ามันก็ไม่ใช่รักในมุมที่แบบแบบว่าสามีรักภรรยาแล้วกลัวว่าภรรยาสักวันนึงจะตายแล้วก็เป็นทุกข์ อะไรอย่างเงี้ยรักพระเจ้ามันแลดูจะไม่มีทุกข์ใช่ไหมอมืงันง้น อ, อันนี้ชวนคุยเฉยนะฮะในในมาราโกสิบข้อสิบห้าครับคุณจรเขาบอกว่าคนที่จะเข้าไปสู่ในดินแด น, นพระเจ้าได้ต้องเป็นคนที่ที่เหมือนเด็กใช่ไหมครับ กรรมนี้กับทีนี้รู้สึกว่าผมเคยได้ยินว่าออวิญญาณของคนนี่คือจะถูกทําให้ให้บริสุทธิ์ใช่ไหมครับก่อนที่จะจะจะไปสู่สวรรค์ที่อยู่ร่วมพระเจ้าคื อ, คอผู้รอดอะไรใช่ไหมครับทีนี้ไ อ, อ, อ้ความที่ว่าทําให้บริสุทธิ์ทําให้นั่นอ่ะมันมันก็คือการทําให้กลับไปมีสภาพเหมือนเด็กก็มีความคิดมีจิตใจที่เหมือนเด็ก ดังนั้นน่คนที่มีความคิดมีจิตใจที่เหมือนเด็กมันก็เหมือนกับลักษณะของคนที่บริสุทธิ์ไม่มีความความยากความอะไรในในกามราคะในอะไรอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับก็คือวิ่งเล่นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ากันทั้งวี่ทั้งวันอย่างมีความสุขครับต้องต้องเข้าใจในคำนี้ด้วยการที่เราจะไปคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นเด็กเลยมันเป็นไปไม่ได้แต่พระองค์ต้องการยืนยันในคาว่าความซื่อ ของเด็กลองดูที่เด็กจริงๆนะตีกันวันนี้แปบ๊บเดียวมันก็เล่นด้วยกันเหมือนปกติละนี่คือความว่าซื่อๆการให้อภัยง่ายการไม่มองใครในในในแง่ลบถ้าไม่ได้โดนปลูกฝังมาอย่างแบบสุดๆนะโดยธรรมชาติของเด็กจะไม่มีสิ่งเหล่านี้นี่เรามองจุดนี้เราไม่ได้มองว่า ไปกรี ด, ดวีดไว้ไปตรงของบนต้องแน่าจะมีชิงชาสวรรค์หรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่ให้มองไปจุดตรงนั้นคําว่าซื่อๆการให้อภัยง่ายาการให้อภัยง่ายความซื่อสัตย์ความน่ารักการไม่ใช่ว่าหน้าตาน่ารักแต่หมายถึงว่าด้วยด้วยถ้าเราไปมองในเด็กจริงๆอ่ะเราจะได้รู้ว่าในความเป็นเด็กจริงๆจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ คือเขาจะกลับไปเป็นสภาพเหมือนกับอีวากับอดัมในสวนเอเดนประมาณนั้นหรือเปล่าที่ว่าไม่ไม่ไม่รู้ไม่มีการไม่อะไรเงี้ยแต่เราเชื่ออยู่แบบอืือ่าเราเชื่อว่าพระองค์ต้องการตรัสคำนี้ว่าอ่าจงจงให้เป็นเหมือนเด็กน้อยเหล่านี้ เพราะฉะนั้นแล้วคําว่าเด็กน้อยเหล่านี้ก็ต้องมามองอีกว่าไม่ใช่ว่ามึงจะกลับไปเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเด็กเลยอันนั้นไม่ใช่แต่เราเชื่อว่าความบริสุทธิ์ความอะไรต่อ น, นีอะไรที่เรามองในความเป็นเด็กอ ะ, อะเรามองในจุดตรงนั้นเราอย่าไปมองในแง่อีกอีกอันนึงแล้วก็อิมเมจในจุดตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาถือว่ามีาพระคัมภีร์ไบเบิลมันเป็นมันเป็นการตีความมันไม่ได้เหมือนกับพระคัมภีร์ทางด้านของ ในศาสนาอิสลามที่เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกคำคุณต้องอย่างงั้นอย่างนี้คำนี้คำอะไรอย่างเนี้ย ค, ค, คือคือคือมันเป็นความกว้างอ่ะบางครั้งพระองค์ใช้คำว่าอุปมาอุปไมายอ่าแต่อย่างเราบอไม่ได้ สวรรค์เชิงพุทธใช่ไหมครับคุณคุณฟิสไตล์เคยได้ยินไหมที่เขาก็พูดว่าจะมีแต่เด็กประมาณสิบห้าสิบหกอะไรเงี้ยทั้งทั้งเทพบุตรเทพธิดาก็อายุประมาณนี้ทั้งนั้นจะไม่มีคนแก่เลยอย่างมันก็มี ม, มีมีเขาของความคล้าย ก, กันแต่เท่าที่รู้คือสวรรค์ชั้นแรกๆมีสีออพอขึ้นไปชั้นสูงๆมันจะมันจะสีมันจะหายไปเรื่อยๆแล้วก็สูงที่สุดคือไม่ไ ม, มีสี เป็นใสๆอย่าบอกนะว่าสวรรค์สูงๆหน่อยจะเป็นพวกสีเหลืองอย่างเงี้ยไม่เอานะจะเอาสีแดงชั้นชั้นชั้นล่างๆจะมีสีหมดครับมีสีก็มีสีมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชั้นสูงๆมันจะเป็นเฉยๆเท่าที่ได้ข้อมูลจริงไม่จริงไม่รู้นะเท่าที่เคยเคยเห็นมาหรือเปล่า